เนี่ยตั้งใจฟังทาเทศนนาอธิบายธรรมาเดี๋ยวนี้ไม่หมันได้ก่อนนี่หน่อยหนึ่งอธิบายมากไปเลยหมดเรื่องเดี๋ยวนี้ยังพคเทศได้อยู่ต่อไปอาจยะเทศไม่ได้ม <c oughs> ีคราวหนึ่งที่อยูุู่เก็ตเสียงไม่ออก นึก็่จะเทศไม่ได้แล้วมาอยู่ภาคอีสานจึงจะเทศได้ถึงยี่สิบเจ็ดกันเอาละเท่านี้เอาละต่อไปต้องเทศอีกแล้วก็มากพมาถึงภาคอีสานเทศได้อีกต่อไปมาคณีมดท่าห็นจะไม่ไหวแล้ว ในการฟังเทศที่อธิบายฟังคร้างค่าวล่วนแ์แนะนำตักเตือนในทางที่ดีที่ชอบเทศแต่ละกนและการล้วนจะเป็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ใน ต, ตอนที่ผู้ฟังฟังไป อาจจะเปเห็นเป็นของเล็กน้อยและไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจึงไม่ได้เห็นผลเห็นประโยชน์ในการปฏิเทศนาขอซ้ำซ้ำจักษาสถึงพระพุทธยาวดันเทศนาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่นำมาเทศก็เอาธรรมะของพระองค์ เทศแล้วแต่ก่อนมาแสดงให้ฟังซ้ำๆซักๆเพื่อให้เข้าใจข้อหมายนั้นเนเอาไปปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติในการเทศครั้งนี้เหมือนกันก็มาเทศอื่นไกล เรื่องศาสนาพุทธพระองค์ตัดเทศนาอะไรเบื้องต้นซึ่งเป็นเหตุที่ตั้งรากตั้งฐานขึ้นเบื้องต้นก็ยวต้องให้มั่นคงเสียก่อนเหมือนกับต้นไม้้ารากไม่มั่นคง มันก็จะโค่นลงไปเสียถ้าทาาลากมันคงแล้วจะอยู่นืนานศาสนาก็เหมือนกันลากที่มันคงองค์เทศสนาอะไ ร, ระเทศสนาก็ไม่มีไม่นอกเนื่อจากสิ้นสมาธิปัญญาิีนเป็นหลกเหล่าเบื้องตน้น สมาี่เป็นธรรมกลางคือตนลำปัญญาคือเป็นดอกผลธรรมเทศนาพุทธศาสนานี่เป็นอย่างนั้นเทศนาเทิงเรื่องศิลคารวาตุบาสกุบาสิกามีชินห้าิลแป เป็นรากฐานให้ตั้งมั่นอยู่ในชิ้น 5, 5่าชิ้นแปดไก่อนแล้วถึงเจริญสมาธิให้มันคงสามเนนมีชิ้นสิบเ้็นรากฐานมั่นคงแล้วทำสมาธิยังค่อยเต็มไป ยิ่จเจริญงอกงามปิสุสินสองรอยี่สบเจ็ดสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งลากฐานมั่นค ง, งไปแล้วทำสมาธิยิงจะเจริญงอกงาะบางอาจารย์สอนว่า ศีลเป็นของเล็กน้อยและเป็นของภายนอกไม่เป็นของสําคัญถ้าหากจิตหัดสมาธิได้สำเร็จหัดสมาธิให้แก่กราหัดสมาธิให้มั่นคงถ้ามปัญญาเกิดขึ้นแล้ว สินได้ไปต้องรักษาความข้อนั้นผิดพลาดจากหลักพุทธศาสนามากพระองค์เทศนาถึงเรื่องสินและยังคอยเทศนาถึงเรื่องสมาธิส่วนปัญญาต้องพูดเราเกิดเองผู้ปฏิบัติสมาธิ มันยากเป็นของเอียงเป็นของละเอียดอ่อนมากเมื่อหัดสมาธิไม่ได้แล้วก็จะไม่มีเครื่องไม่มีที่พึ่งหมดเท่านั้นถ้าหากมีศีลมั่นองสมาธิไม่เป็นไป ลดหยอดมาก็ยังไม่อยู่ในสินสินสมบูรณ์เท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าหากไม่รักษาสินจะแล้วพอลดจากสมาธิมาหมดไม่มีที่พึ่งเพราะนั้นสินจึงได้ชื่อว่าเป็นล่าถานของการทำสมาธิ จะพูดลำดับทัเรื่องศีลมัดเว้นจากอาศัพท์เราก็เข้าใจแล้วทุกคนเจตนาที่งดเว้นเป็นการรักษาศีลถ้าไม่เจตนาไม่เป็นศีลถ้าไม่ตั้งใจงดเว้นไม่เป็นศีล คนมีการฆ่าสัตว์พระองค์จงให้รักษาศีลถ้าหากว่าไม่ฆ่าสัตว์องค์ก็งมดไม่งดเว้นจากขับมาแห่งมดเว้นการงดเว้นนี่แหละเป็นเหตุไอเป็นตัวศีลด็กเล็ก เกิดขึ้นมานอนอยู่ในพรอ้อมไม่มีเจตนางดเว้น ก, นการขาัตา์ถึงเขาไม่ได้ขาเด็กนั่นก็ไม่มีจิตการงดเว้นนันจริงเลยใช่ไว่าเป็นจิตไปองค์เทศนาถึงเรื่องชิ้นตัวเดียวไม่ต้องมาก ในใจรักษามากรักษาเจตนา เ, เดียวเท่านั้นเป็น น, นว่าสบมบูรณ์บริบูรณ์มดทุกขอ์อบตัวเจตนาที่ตั้งใจงดเว้นจากกาถาสัตว์รักทรัพย์กบิดมิชาชากาโกงหมุสวะัตเติมสุรานมิลัยตัวเจตนา เ, เดียวเป็นสิน เป็นชิ้นครอบทางหางชิน 8, ช้นแปดชิดช้นสิบชิ้นสองรอยูี่สิบเจ็ดยดต่ทีถ้ามันมีเกจหนา ง, งดเว้นจแล้วไม่เป็นชินดเลยอย่าไปคิดว่ารักษาชิ้นมากรักษาชิ้นหาตัวหาขอ้อ แตกตัว1ิตัวรั่สองร้อยย่ิบเจเป็นมากเป็นของมากไป <L ess illes> คนที่รักษาสีนวงมากอย่ากพระแทนบวดมากไปดูตำรับตำราพระวินัยถึงสองรอยยียย่ิบเจดเดือดร้อนใหญ่โตโธชันโอ้โหรักษาไม่ได้ครับ ติงตัวที่ไหนก็เป็นจะโทษแต่อาบัตหมดชิ้นมากมายอยู่ไม่ได้จนซึกสามวันเจ็ดวันอดได้บุญมากคือว่าไม่เข้าใจเรื่องสิ้นว่าตนได้บุญมาก ไม่รู้จักสิกขาบทวีไหนไม่รู้จักงดหักบาทนั้นนั้นเข้าใจว่าได้บุญมากเมื่อไปเห็นเทวีไนเท่าไัา้นดลยพอใจอยู่เป็นนานเ ท, ท่านั้นยิงบาปเข้าใจกันอย่างนี้เพราะเหตุที่รักษามากตัวเอง รักษาเจตนาตัวเดียวเจตนาพรศ์มดเว้นนันชิ้นสองลายเจเกิดเลยครบบริบูรณ์เหตุนี่แหละคนที่ไม่เข้าใจรักษาชิ้นและหลายตัวและหลายข้อบเลยเป็นของยุ่งยากล้ป่า สี่ข้อที่แรกงดเว้นจากขาดเจตนางดเว้นเท่านั้นเห็นสัตว์มันเกิดเอ็นดูเกิดเมตตาสงสารนั่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำลายให้สัตว์เกิดสกสารเอ็นดู บางทีเห็นอยู่ยินดูสงสารแต่ยังมีเจตนาที่จะต้องทำลาย ม, มันมต้องฆ่ามที่จิงสินข้อนี้หนึ่งมีไปจำใจของคนเราในทางในจำใจพุทธศาสนิกชนทั่วไปหมดคิดว่าทำลายมัน เบียดเบียนมันจะเกิดโทษทุกข์แต่ว่าจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องขายจำเป็นต้องทำลายองนคน์เจตนาไอความเินดูเมตตานพุทธศาสนานั่นก็นได้ชื่อว่าเข้าไปซึมซาบในใจนี่แล้ว <c oughs> <c oughs> ขาดสัดเล็กน้อย ตลอดถึงสัตว์ใหญ่สโตตลอดถึงค่าคนนออกไปจากสัตว์เล็กน้อยนี่ทั้งนั้นของที่มีวิญญาณไม่เกิดสงสารเมตตาสัตว์ใหญ่ๆก็มีวิญญาณตลอดถึงมนุษย์ก็มีวิญญาณข่าว๊ะ พ่อแม่พี่น้องก็มีวิญญาณมีอุปคุณคุณมากไม่เลือกในการฆ่าสัตว์เป็นอย่างหนี้คราวนี้ลองคิดดูสิในโลกกว่ น, นี้มีแต่การฆ่าไม่เลือกทั้งรั้ แล้วใครก็ปาินาที่จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกตัวตดแม้แต่สัตว์เลร้ยชานก็ต้องการปาินาไม่ให้ใครเบียดเบียนแล้วคนเกิดขึ้นมาพยายามจะจะเบียดเบียนให้ไปฆ่ากันไม่อยาความสุขเกิดจากที่ไหนไม่มีความสุขเลยจาก เบียดเบียนกอยู่ริ่ไปเงี้ยสินคอแรกเท่านั้นเป็นเหตุ ย, ยุง่งยากเป็นเหตุในลำบากเกืือร้อนทัวกันหมดข่านต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีความสุขอัตภาพร่างกายของตนถึงจะเป็นก็โลกภัย ไ, ขไขค้เจ็บเบียดเบียนก็ตามเถิดแต่ไม่ใช่คนอื่นมขาเบียดเบียน อยู่ดาวอุภาพของตนก็ยังพอทําเนามีเป็นข้อหนึ่งข้อสองการลักขโมยของแขกันเขามีความาจิตที่จะต้องลักมีอิสระรักษาสิ่งของของตนไว้ต้องใช้ต้อง กินตามเรื่องของตนที่หามาได้หารักของเขามาชอ่อลุ่ของเขามาเสื่อมเสียอิสรภาพเห็นแก่ได้ของแก่ตัวเดียว ไม่คิดถึงความทุกข์ลาบากของคนอื่นคนจนแล้วกันยิ่งจนลงไปมันทุกข์แล้วกันยิ่งทุกข์คนยิ่งทุกข์เขาไปอีกมันจะได้ความทุกขจากไหนหการเบียดเพียนกันยนี่ถ้าหากว่าสื่อสัตว์ริต ต่อกันและกันแล้วจะรับควงจะได้รับความสุขเบิกบานอยู่ด้วยกันที่เป็นอย่างฉันพี่น้องเหมือนกับลูกกับหลานบ้านเรือ น, น, นเดียวกันนั้นการซื่อสัจจริตไม่คิดคดทรยศต่อกันนั้นเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ ความคิดขคดทรยศต่อการ น, นั้นอย่าไปพูดในเรื่องอื่นไกลแต่บุตรภรรยาสามีโยบานเรือนเดวยกันมันก็เป็นทุกข์เดือนร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันท่านยังสอนให้งดเว้นเพื่อต้องการความสุขแก่มวลมนุษย์ ในโลกทั้งหมดไม่ใช่สอนคนใดคนหนึ่งสอนให้เป็นให้ได้เรืความสุขวยกันทั้งหมดจึงว่าพระเดชเจ้าท่านสอนกว้างขวางมหาการุณิโกนาโตเป็นมหากรุณาย่างยิ่งทีเดียวเป็นมหากรุณาก่สทา ร, รกอย่างยิ่งไม่ได้เลือก มาคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นว ง, งของเราการประพฤติผิดมิช้าจากวุณนวายเดือดร้อนในโลกอนนี้ก็คงประพฤติผิดมิชาจาอออกผู้หญิงนอกจากหัวผู้ชายนอกใจจากเนี่ย เลยไม่ไว้วางใจซึ่งกันและการเดือดร้อ น, นวุน่นวายนวันนี้เห็นเห็นชัดๆเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาแล้ร้องไห้ไม่มีอะไรไปแต่ร้องไห้ได้ไปได้ผัวในมีผัวแล้วม่ลูกคนหนึ่งอละผัวก็ไปนหนีเอาไปได้เนี้ยใหม่ ัตเมียก็ไปได้ไสามีใหม่สามีใหม่ก็ไปทิ้งอีกมีแต่ร้องไหยไม่ตาาราบว่พูดยังไงพูดยังไงก็ไม่ฟังมดท่าอะไรกันนั้นไม่ใช่เรื่องนิชชาจารย์หรือ คือไม่ไว้วางใจเป็นกันแรกประพฤติผิดนอกใจคือประพฤติผิดนอกใจเป็นกันแรกมันยังค่อยเป็นอย่างนะอันนี้เลยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนร้องไห้ยังกระทั่งไันมีละอาย ไม่ใช่ฐานที่จะร้องไห้มาร้องไห้ในที่นั้นจะไม่มีที่และอายเลยความทุกข์มันกุ้มอกกลุ่มใจเสื่อมหลือที่จะสนา น, านับมีทรัพย์ชินเงินทองมากมายแต่ความกุ่มใจก็เลยเหมือนกับไม่มี ม่มีข้อหมายเลยหรอการพูดเท็จพูดโกหก ค, คำไม่จริงเป็นเหตุใหญ่โตทานพระพุทธเจ้าท่นเทศนาว่าคนพูดเท็จพูดโกหกคำไม่จริงนั้นบาปอื่นๆนซึ่งจะไม่ทำไม่มี มดทางฝวงมดบาททางฝวงมัดต้องทำเหต er, ุนั้นเน่ยพม่าเขาจึงถือนักถือหนาคนพม่าเลยถ้าห่างโกหกคำเดียวเท่านั้นเลชิ้นท้ามดไม่มีเลยชิ้นท้าชิ้นแปดไม่มีเลยแต่ผ้า บวชในพุทธศาสนาผ่าโกหกข้มเดียวเท่านั้นเขาหาเป็นผ้าผ้าไม่มีสิท์ขนบทาเรียรวันนี้ยังเกี่ยวเนื่องมาถึงเหมืออคือผ้านเหนือนังถือกันอยู่โกหกว่าเชื่อหนี้โกหกแล้วไม่ไม่มีเหลือสักอันเดียว สามีโคหกภรรยาภรรยาโคหกสามีหลอกหลวงซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ขี้ขโมยลักสิ่งของซึ่งกันและกันเป็นเหตุในลักจิตลักใจนอกจิตนอกใจสามารถที่จะทําลายล้างผ่านซึ่งกันและกัน โกหกอะนะ่ยดื่มสุราของนี้ดี่น ย, นยหรอไม่เป็นไม่เป็นอะไรครับดื่มเพื่อเจริญอาหารนั่นแต่ทีแรกเ ม, นมอนเมาแล้วไม่มีสติ ของตนที่ไม่มีดีก็หาว่าเป็นของดีของวิเศษปวดโอ้โหปดทุกข์อากาศคนที่จะทะเลาะอีวาดกันกับพวกสุรายาเมาถ้าหากว่าจะฆ่าจะตีกันต้องดื่มสุราไปก่อนให้มือเมาไปก่อนถ้ามีส ต, ติดีๆอยู่จะไม่กล้าลงมือทำ ให้มือนเมาเสจนกระทั่งลืมสติเก่อนยังค่อยลงมือทาได้ทุกวัน น, นี้สุรายาเมานะั้นน่ะมันเป็นเหตุนอกจากนั้นก่อนยาเสพติดเฮโอินกันษาพวกปีนพวพวกนี้ มันติดเราเสียผู้เสียคนเสียสุขภาพบรณาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันติดมันมนีแเราไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะดื่มพ่อกง ข, อขาแม่ก็สาม า, ารถขาดได้ สาารถลักขโมยสิ่งของเล็กๆน้อยๆถัาเอาแั่ทุกอย่างเนี่ยก็ของเล่านี้มันไม่ใช่ของเกิดกับตัวเราไปฮัดเราไปหั ด, หดถ้ามันหัดสูปติดต่างหากดีๆได้ไม่ชอบ คนมีสติดีๆไม่ชอบชอบมมเมาจนลืมสติซะก่อนเชียผู้เสียคุณพูดมารู้เรื่องรู้ราวติดแล้วก็ทำให้สุขภาพอ น, น, นหมัยเสียเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็ไม่ไดชิ้นห้าประการ เป็นรากฐานของสมาธิ <c oughs> ถ้าสินตห้าบริสุทธิ์เมื่อไหร่แล้วใจจิตใจของใส่ <c oughs> บาเจึงว่าทำสมาธิพาวนาได้ดีสมาธิมันเป็นของเอี่ยน <c oughs> อ แล้วละเอียดอ่อนมากคิดถึงเรื่องความชั่วของตนและความผิดของตนที่ทำมานิดเดียวเท่านัา้นเป็นนุปสักของการทำสมาธิพาวนาถ้าหากว่าจะทำสมาธิแห่งแน่เต็มที่ต้องมีฉินบริบูรณ์เสียก่อน อันที่เราไม่คิดถึงเรื่องความมัวหมองของจิตเพราะเหตุที่ผิดิินสมาธิยังทำไม่ได้ถ้ามาคิดถึงเรื่องศิลห้าขอ้อสมบูรณบริบูรณ์ในใจของตนจิตใจกเบิอบอกบ่ายินมแ ย, เยนเกี่นใจเลยเป็นสมาธิ อาหาสมาธไม่เสร็จก่อนพิจารณาทั้งเรื่องสินของตนยิยมเอิบอยู่กับสินขั้นบุญบริบุ ญ, บญทุกสิง่งทุกการนั่นแหละจึงว่าเป็นหลักฐานเป็นราาฐานของศาสนาออกไปจากสิทิ์นี้ทั้งนั้นแล้ลึกถึงคุณสินแล้วลึกถึงคุณอพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วลึก ถ, ถึงสินเรื่งเรื่อง ในอนุสติสิทก็เป็นภาวนาในตัวน้าเราลึกอะไรละเระลึกเพียงสิ้นห้าเท่านี้หละกรวดกลาพิจารณาเรียบร้อยทุกอย่างหากเป็นสมาธิเอง <c oughs> ส่วนปัญญาหนะึ่งเอาไว้ที่หลังถ้าสมาธิไม่มีจแได้มันไม่เกิดจากปัญญา เรื่องพิจารณาเห็นสินตรวจกลายพิจารณาเรื่องเรือสินอั น, นั้นตัวปัญญาเหมือนกันปัญญาธรมาธรมดาธรรมดาเนี่ยแค่นหนาจิตใจของตนให้ใช้สะอาดบริบูรณ์กับตัวปัญญาที่ดีเนะี่ยปัญญาธรรมดาส่วนปัญญาพัฒนาไว้ต่างหากหาก็ปัญญาโมนีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันจะเลยเป็นปัญญาพัฒนา ที่จะให้ถึงมรรคนในผานที่จะให้ถึงฌานสมาธิสมบัตินาใจรักอันนี้จังทุกขังนราตาเห็นชัดทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนเห็นทุกเมื่อเห็นเป็นไตรคืออันนี้จังทุกขังนราตาตัวเราตัวเขาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้หมดด้วยกันอันสมาธิแนวๆแล้ว น, กก น, นันเกิดดับสมาที่ไม่แ น, น่แน่ตัวของเราเห็นเป็นตัวดีๆเห็นเป็นคนเห็นมนุษย์นความเพียรเกิดดับเป็นตัวอันหนึ่งเป็นตัวสัตว์ตัวหนึ่งในโลกอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปคิดดูสิ สัตว์เกิดมาทุกตัวมีดินน้ำไฟลมะสมมาเป็นกอเหมือนกันทั้งนั้นมันจะมีอะไรเป็นเออมีอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่มีสำหรับร่างกายเพียงแคนะ่นั้นต้องมีดินน้ำไฟลมมันตีย่อยเรียกไปเรียกไปเธอได้เธอเรียกไปเถอะไม่นีอยากดินน้ำไฟลม อย่นั้นยังเอามนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี exactly. ่ยเหมือนกันมนุษย์นี่เกิดขึ um> ้นมาแล้วอะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นมาแล้วมันเติบโตขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมลงไปทำเหมือนกันหมดตูนไม้ผลไม้อะไรต่างมะม่วงมันเนี่ยมันละมุดอะไรอะไรต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแก็แก่ไปมันก็ผุพังไปมันก็เปื่อยเล่า เป็นของเก่าเป็นดีน้ำไปลงของเก่าปัญญาเกิดขึ้นวิปัสสนามันเกิดตรงนั้นมันหักเป็นคันหากว่าสมาธิเพียงพอแล้วเห็นนั่นถึงว่าอย่าไปอยากเป็นนัก ขอให้รักษาเบื้องต้นให้ก่อนรักษาให้อยู่เฉยๆอย่างเนี้ยสมาธิไอ้ชิ้นนี่แหละเฉยๆไปตามเรื่องนี่แหละไม่อยากเป็นหรือไม่ไม่อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นหรือไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นหรือไม่อยากเห็นอยากรู้หรือไม่อยากรู้ไม่ต้องไม่ต้องทำหนึ่งขึ้นมันี้ยมันไปเองมันก็ ถ้ามาเจ็นที่สมบูรณ์บริบูรมันไปเองลูกไม้ผลไม้มันแก่แล้วมันเอาไม้จากไหนกหวานนึนที่แรกมันก็ฝาดก็ขมหน่วยเลตอยู่มันฝาดมันขมมันแก่มันกับมันมันเอไม้จากไหนมันมันแก่มากกวนนั้นก็ มันก็หวานอันฝาดอันขมหรืออันเปรี้ยวนะมันหาใจหมดยังเหลือแต่หวาน้าไม้อย่างไหนเขาเหมือนคนเราก็เหมือนกันไม้ผลไม้ลูกไม้ผลมาจ็เมื่อนค่กันท่านได้พูดอีกในหนึ่ง ลูกไม้ผลไม้หนึ่งที่เรียกว่ามันสุกไม่ใช่สุกคือมันเน่ามันเน่าต่างหากถ้าไม่ ก, กินกัเน่าเลยทานไม่ได้เลยคน ไม่ใช่มันแก่มันเน่าไปหาตายจะต้องเน่าไปทุกคนไปหาตายทุกคนนี่แหละที่เทศนาให้ฟังละลกฐานของศาสนาอยู่ที่ที่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จินนี้ท่านประมวลเรียกว่า สีเลยนะสุขติยันติสีนนั้นเป็นเหตุให้ถึงสุขติอยู่ในโลกก็สุขติละโลกนี้เลยไปกว่าสุขตินอกจากศินนั้นมีอะไรหรือที่จะดาเนินในชีวิตของเราไปหาสุขตินอกจากศินแล้วก็ไปหาสุขติ น, น, น, ขตนะมีสินอันเดียวสนีทท่านดำเนินชีวิตของคนเรา ชีเลนสุขจิงยงันติดชีเลนโพคสัมปทาโภคสัมบัติพระฐานจะเกิดขึ้นได้เพราเพาะนี่ชิ้นเขาคงทำไมจึงมีเงินท้องมากมายนะเขาช่อก็าคงเขาลักขโมยทำไมจึงมีเงินมากมายนะมันไม่ใช่สุขนคนมีเหล่านั้นไม่ใช่มันสุข มันทุกหัวใจมันเ่งเดือดร้อนในหัวใจเขาไม่พูดดเฉยนี่เลยถ้าพูดจริงๆแล้วไม่มีใครปฏิเสธได้สักคนเดียวคนชอบกงว่าขโมยของเขายิ่งวกขโมยมันเรียกขาดทายตั้งเป็นหมื่นๆแสนไม่เห็นรวยสักคนไม่เห็นมีสักคน เราเก็บเลขผสมน้อยไปค่อยหาไปยังสบายใจสุขกวา่าจีเรณโปรกสัมประถาเรามีสินะสบายเป็นสุขทุกเมือ่อเจ้านี้จะจนอะไรก็ตามเถอเราก็ต้องการความสุขของใจ มีมากก็ต้องการความสุขของใจมีน้อยก็ต้องการความสุขของใจพระองค์เทศสนาตรงนั้นึงความสุขต่างหากชี้เรนโผลกสัมปาทาชี้เรนนิปนุตติงยันติจะถึงพระนิพพานได้ก็ต่อาิตเรียกว่าเข้าขั้นต้นเบื้องต้นถ้าเป็นใดก็เรียกว่า ขึ้นบันไดขั้นตน้นตัวสีบนี้ขึ้นบันไดขั้นตน้นสมาธิปัญญายัางขั้นที่สองที่สามต่อไปพันจะพูดถึงเรื่องพระนิพพานนะไม่ไกลไม่สูงไม่ต่ำขึ้นบันไดสามขัน้นเราก็ถึงเลยตรงนี้แหละีลสิา ธ, ธิปัญญานี แต่คราวนี้กานเราจะดำเนินขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์เขาต้องดำเนินต่างเองไหมขอกนอกจากนี่แล้วไม่ใช่ขอนทางทั้งหมดนี่อธิบายในธรรมเทศนาในวันนี้เพียงแค่นี้แม่เตศนางก็เริ่ตั้งใจจะดึง ไม่ได้ทำความชั่วไปจริงหรอกจึงเป็นเหตุประมาชะ อ, อะไรท่านเรียกว่าเุลาเมระยะมัชชะประมาะเป็นเหตุคิดตั้งแห่งความประมาทคือมันเบื้องต้นมันตั้งเบื้องตน้ น, ต น, ตนนั่นแหละมันก่อเหตุคือมันต้นนั่นมัชชะประมาะเป็นเหตุให้เกิดประมา ประมาตคือมเม า, เมาประมาตคือไม่มีสติก็ไม่มีสติ เ, เดียรกับประมาตคนดีๆตั้งสติ ด, ด, ด, ดไีไม่ชอบให้ประมาตยังค่ชอบมึนเมายังค่ชอบมึนเมาว่าสรรพัทุกสิ่งทุกอย่างสเปย์ห้โลไปไม่มีสติน่นชอบนะัก พิชิญแต่ว่าผิดธรรมถ้ชั่วนะเก็ให้เขาดื่มทำคนชั่วถ้าชั่วนะเขื่มน้ำคนชั่วไม่ถึงกะพิชินแต่ผิดธรรมการคุณเห็นที่ในสังคมที่อยู่ในกันปันิจบันนี้ค การมกรคือเรื่องทยากสดนยากักโกนั่นแหละเรื่องนั่นนละโลกมันยังค่อยหมุนไปหาเร็วสามความเร็วสามมันหมุนไปเพื่อความเร็วสามเพอะนั้นพระพุทีเจ้าทำะไรเทศให้คนใดคนหนึ่งฟังเทศทั้งวัดทั้งโลก คนงดเว้นจากการโกหกมันก็สบายทั้งโลกคันงดเว้นได้น้อยมันก็สบายน้อยงดได้มากก็สบายมากไม่งดเว้นเล ย, ยก็เดือดร้อนคนทั้งโลกนี่เป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสงสารอินดูศาสนาความ สุขเก็บชาวโลกทั้งหมดปราเถนาจริงๆพยายามอุตสาห์แนะนามตักเตือนโอ้โฮยคณโงแม่มากมายเทศนาให้คนฟังอนนตอนหัวขําเทศนาจิสุทั้งหลายฟัง ตอนกลางคืนเทนเทพจาฟังตอนจวนสว่างพิจารณาดูโลกว่าใครมีปณิสัยวาสนาคนที่จะเดดสังเ็จว่าคนที่ผ่านถ้าผายปาดจิตถ้าบาดสหประโยชนุน่นพระองค์ทาตลอดตั้งแต่เดตัสรุมาไม่มีเว้นแต่ละวันจิตท่าต่า พุทธเจ้าเทศนาในท่านมีกิจท่าประการอยู่ประจําเลย <c oughs>